เคําว่าอินทรีห้าที่เป็นไปกับโพธิปัจจยธรรมคืออินทรีห้าที่น้อมไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะอินทรีย์ใดที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้อินทรีย์นั้นเป็นโพธิปัจจยธรรมแต่ถ้าอินทรีย์ที่ไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้นะที่ไม่ได้น้อมไปเพื่อบรรลุอะไรสักอย่างหรอกก็คือท่านก็บอกพระพุทธเจ้าดีเก็ดีก็นับถือไปก็เลื่อมายแหละ ว, ว่าท่านเป็นคนดีอนะ แต่ก็ไม่ได้เคยคิดจะรู้ตามท่านบรรลุแบบท่านไม่มีไม่มีท่านบรรลุอะไรก็ยังไม่อยากรู้อ่ะแต่พระพุทธเจ้าดีอ่ะไม่เถียงว่าไม่ดีเออคนในของมาก็รู้จักนะไม่ใช่ไม่มีนี่อ่ะเขาก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้าดีดีไม่ดีอยากเป็นอย่างนั้นไหมอยากบรรลุตามท่านไหมอะไรไหมไม่มีไม่มีศรัทธาแบบแบบที่จะขอบรรลุตามขอรู้ขอฟังยังไม่อยากฟังเลยอ่ะ แต่จะให้เขาช่วยอะไรเขาช่วยได้บอกมาเถอนะนะแต่ว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นหรอกว่าอูอออ้สัตว์โลกนี่มีท่าเป็นอนเนกจริงๆเลยนะท่านก็รู้จกัก เ, เกี่ยวข้องกับคนที่เจริญอินทรีย์แต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆเลยบางคนเนี่ยเรื่องทานนะบอกเขาเลยเมื่อไหร่ก็ได้ให้เขาทําอะไรเขาก็ทําได้แต่อย่าอย่าพูดธรรมะให้ฟังเด็ดขาดนะเขาไม่อยากฟังนะนะนะนะบางคนเนี่ยนะ เกี่ยวกับเรื่องธรรมะเนี่ยจะเมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่อย่าชวนเขาไปทอดกระถิ่นป่าให้ทานกันแล้วกันเขาไม่ไปอ่ะไม่เอาเดี๋ยนะบางคนเนี่ยศีลอย่างเดียวเนอย่างอื่นไม่เอาศีลดีที่สุดไหนเนี่ยก็เนี่ยขอสมาทานศีลแล้วก็อยู่เฉยๆนี่แหละไม่ต้องไปทําอะไรนะเขาก็รักษาศินของเขาเข่งคัดมากเลยนะเขาไม่ขาดในศีลของเขานั่นแหละแต่ว่าเกินกว่านั้นฟังธรรมหน่อยไหมไม่เอาอะไรหน่อยไหมไม่เอา จะเอาอยู่เท่านั้นจริงๆบางคนก็เหมือนกันว่าจะขอสมาธิก็จะขอแต่มาให้มันสงบสง บ, สงบนิ่งๆเขาพอละโลกนี้เขาต้องการอยู่เท่านี้ละอ่างนบางคนก็บอกขอให้เขามีปัญญารู้จักว่าอะไรเป็นนามเป็นรูปนะชาตินี้เขาพอและเขาขอให้รู้จักอะไรเป็นนามเป็นรูปอนะพอหลังจากที่เขาพอรู้ว่าอะไรเป็นนามเป็นรูปเลิกศึกษ า, ษาธรรมะเลย <laughs> เ, นะ เ, เขาเขาเขาคิดไว้เท่านั้นจริงๆนะที่พูดนี่ไม่ได้พูดว่าเองนะ ผู้จากคนที่รู้จักมาเนี่ยนะโอ้แต่ละคนแต่ละคนในจินตนาการไม่ไม่ค่อยเหมือนกันนะนะโอ้สัตว์โลกมีธาตุเป็นอเอกจริงๆมีหน้าละหน้าคนจึงไม่เหมือนกันสักคนเลยความคิดที่มันหลากหลายขนาดนี้แหละอั้นอินรี่ห้าของพวกที่น้อมไปเพื่อจะตรัสรู้เนี่ยนะกลุ่มที่จะเจริญเพื่อตรัสรู้นั้นจึงไม่ไม่สันโดษเอาเฉพาะอินทรีย์ข้อใดข้อหนึ่ง เราะเขามุ่งที่จะปรับปรุงอินทรีย์ให้เหมาะสมที่เป็นไปเพื่ออบรมให้โพธิปักจัยธรรมเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะโพธิปักขัยธรรมบริบูรณ์เขาจึงไม่ได้ไม่ไม่เอาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งคนที่ศึกษาธรรมะจนสามารถตรัสรู้ได้นะคือคนที่ไม่สุดตรงไม่เอาแต่เหลี่ยมใดเหลี่ยมหนึ่งมุมใดมุมหนึ่งจนเกินไปเนี่ยนะเขาก็ปรับบ่มอินทรีย์ในทั้งห้าอินทรีย์ให้ให้สมดุลกันจึงจะเกิดการ ตรัสรู้ทําได้บางคนก็บอกเขาจะเอาศรัทธาอย่างเดียวอริยสัจไม่ต้องการรู้ไอ้ถ้าอย่างเนี้ยไม่ได้แหละเพราะนั้นผู้ที่ศึกษาศึกษาพระธรรมเนี่ยนะไม่ควรเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีนะบางคนเนี่ยนะเอาวินัยอย่างเดียวเนี่ยถ้าแบ่งเป็นปีดกนะถ้าวินยัยมือชั่วโมงวินยัยเข้ า, ข า, ขาไม่มีไม่เอาบางคนบอกว่าพระสูตรอย่างเดียวบางคนไม่ได้อธิธรรมอย่างเดียวมันก็เป็นอย่างนั้นทั้งที่พระพุทธเจ้าก็สอนองค์เดียวกันนะ พุทธีพูดพระวินัยคนนี้ไม่เอาไอคนนั้นเอาพูดพระสูตรคนนี้เอาคนนั้นไม่เอาพูดอริธรรมคนนี้เอาคนนั้นไม่เอาก็มันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้นี่คือความความหลากหลายแต่ทีนี้ในบรรดาคนที่มุ่งไปเพื่อการตรัสรู้อริยสัจนั่นแหละจึงเป็นการบ่มอินทรีย์เพื่อการบรรลุธรรมก็ค<บ>ือมียอดอ่ะนะมันเหมือนกับว่าการก่อสร้างเนี่ยไม่รู้ยอดมันอยู่ที่ไหน เพรนั้นคนที่อบรมโพธิปัขจะธรรมคือคนที่รู้ยอดรู้ที่สุดของการเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นสตินรีย์จะบริบูรณ์ที่ไหนเมื่อไหร่ย่างไงเขาก็รู้วิญยินรียสติินทรียสมาธินรียปัญญีนีแต่ละอย่างอบรมอย่างไรเจริญยังไงเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แค่ไหนอย่างไรเขาก็ ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, กรู้คนเหล่านี้แหละเป็นจัดเป็นพวกกลุ่มที่เจริญโพธิปัขจะธรรมแต่บุคคลที่เหลือ โอ้ยเขาได้เจริญบ้างก็ดีแล้วอย่าบริสุทธิ์เลยน่ยนะอะไรบริสุทธิ์นะอย่าให้มันบาปบริสุทธิ์เลยอย่างนั้นเน่ยมีบุญกปนอยู่บ้างอ่ะเนะ่บางท่านก็บอกว่าสักแสนกลับข้างหน้าเขาจะบรรลุก่ก็ปล่ยเขาไปก่อนให้เขาได้ยินในฟังบ้างก็ใช้ได้แล้วเนี่ยนะเกิดมาทั้งชาตินะฟังธรรมชั่วโมงหนึ่งโอ้ยไม่เสียชาติเกินะเนี่ยนะสาหรับคนนั้นนะไม่ใช่เขาเนะไม่ใช่คนพูดนะ เพราะว่าเราจะไปทําอะไรกับเขาได้เอเาจะไปชวนเขาม า, มากๆเลยวได้ศัตรูเพิ่มอีกคนหนึ่งเออสาหรับสัจจินรียเออที่เห็นชัดๆก็คือน้อมระลึกถึงพระรัตนตรยัยคุณของพระรัตนตรัยนะครับแต่ว่าการระลึกถึงพระรัตนตรัยก็ถ้าระลึกนานบ่อยก็ทําให้จิตตั้งมั่นด้วยทีนี้สมาธินรียกับสัจจินรียนี้จะจะเห็นความต่างกันตรงไหนครับ ในกรรมฐานแต่ละอย่างเนี่ยนะถ้าทําจนถึงที่สุดเนี่ยจะไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าคนที่เจริญโดยเฉพาะอนุสติเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญมากเนี่ยถ้าเจริญไปแล้วไม่ต้องห่วงพระพุทธเจ้าจะบอกเองถ้าคนที่คิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆแล้วพวกที่เหลือพระพุทธเจ้าจะบอกเองคําว่าคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่โอ้พระพุทธเจ้าเราจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมคิดอย่างนี้พระองค์บอกไม่ได้หรอกเรียกในชื่อพระองค์เ้เฉย แต่ถ้าเจริญแบบพระพุทธเจ้ารู้ยังไงบรรลุอะไรเนี่ยนะบำเพ็ญบารมียังไงให้ทานยังไงรักษาศีลยังไงบรรลุยังไงพระองค์ไปที่นั่นสอนใครสอนอะไรสอนยังไงถ้าสลึกได้มายาวขนาดนี้นะที่เหลือพระพุทธเจ้าจะบอก เ, อเนี่ยนะคื อ, อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องแปลกว่าถ้าเขาขาดอะไรเนยเขาจะสแสวงหาสิ่งนั้นเหมือนกับคนชอบอะไรเนะยเขาจะหาสิ่งนั้นของเขาเอง อินทรีย์ก็เหมือนกันถ้าใครที่มุ่งจะเจริญอินทรีย์ห้านะี่ช่วงไหนอินทรีย์มันจะบอกบอกเองสภาพจิตของตัวเขานั่นแหละเป็นคนบอกเองว่าช่วงนี้เนี่ยนะเขาให้ความสําคัญกับศรัทธา ม, มากช่วงนี้เขาให้ความสําคัญกับความเพียรมากช่วงนี้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องสติมากช่วงนี้ให้ความสําคัญกับสมาธิมากช่วงนี้ให้ความสําคัญกับการไค้ครวนมาก อันนี้นี่ถ้าแบบคนที่ไม่ได้อบรมเป็นเรื่องเป็นราวนะจะดูว่าความสนใจพระธรรมของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันความสนใจแต่ละช่วงก็ไม่เหมือนกันเนี่ยนนะขาบอกว่าในบรรดาคนที่สนใจไม่ค่อยยาวมากนักนะนะของมานีคนหนึ่งละสนใจเรื่องหนึ่งกับไม่สนใจยาวแต่ว่าอีกระยะหนึ่งเอาใหม่เนี่ยคนะือสนใจเรื่องนั้นอยู่พักใหญ่ อะนะพักหนึ่งหมวาม่าสักสิบห้าวันหรือครึ่งเดือนหรืออะไรเนี่ยแล้วก็พอแล้วก็อีกเดือนสองเดือนเป็นต้นเนี่ยนะแล้วเอาเรื่องนั้นมาว่าใหม่เนี่ยให้ลืมลืมสักนิดหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยว่าใหม่แล้วก็ลืมอีกแล้วก็มาสนใจใหม่แล้วทําอยู่อย่างนี้บางเรื่องนะทําเป็นสิบปีเนี่ยนะอยู่อย่างเงี้ยไปเ ร, ย เ, รยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจึงใครว่าเ้ายัางเ้ายัา ง, ายางปลูก<ม>เดี๋ยวเอาอีกห<ม racket>เหมือนกับอ่านพรนะไตรปิฎกไหม ก็อเล่มนี้ดีนะ อ, อ่านจบอ่านเอาเปิดอีกรอบใหม่เอาไหมเอาไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวพร้อมๆนลยอีกปีมาอ่านใหม่ดีจริงๆเลยเดี๋ยวอีกปีหนึ่งก็แล้วกันอีกปีหน้ามาอ่านใหม่ย่งง <c oughs> ถ้าช่วงไหนมีอะไรจะต้องคุยถึงเรื่องนั้นบ่อยๆดูอีกครั้งหนึ่งอย่างงี้ก็จะลักษณะนี้จะเห็นว่าความสนใจแต่และช่วงของเรานี้ไม่ไม่คงตัว เมื่อไม่คงตัวนั้นแสดงว่าอินทรีย์แต่และช่วงช่วงนั้นๆ น, น, นี้จะไม่เหมือนกันดันั้นการอบรมอินทรีย์เหล่านี้จึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจนเรียกว่าไม่มีสูตรตายตัวอะไรดันั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเป็นการศึกษาเพื่อเจริญศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาหรือเป็นการเจริญเพื่อส่งเสริมคุณธรรมไปเรื่อยๆโดยที่แต่ถ้าใครตั้งกฎเกณฑ์ให้ตัวเองเกินไปนะแล้วทําไม่ได้ด้วยอันนั้นคืออะไร คือปฏิฆาณิมิตคนเหล่านี้จะเครียดค่อนข้างกว่าเพื่อนเหมือนเขาอยากได้ในสิ่งที่เขาทําไม่ได้อ่ะอะไรจะเกิดขึ้นเห็นไหมเหมือนกับการเจริญกุศลเนี่ยนะมีบางท่านอู้หให้ความสําคัญกับการเจริญกุศลอย่างเป็นจริงเป็นจังมากเขาจะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บอกคุณทําได้ไหมล่ะไอ้ที่คุณพูดนะถ้าคุณทําได้ทําไปเลยใน้อีกพักหนึ่งบอกทําไม่ได้แล้วครับอย่างนั้นอาทําไม่ได้มึงก็ต้องคิดนะาอาหารเนี่ยไม่ใจ่ว่จะทานชนิดเดียวได้ตลอดไปใช่ไหม ก็ต้องสับเปลี่ยนไปบ้างการเจริญกุศลธรรมก็เหมือนกันจริงๆในพระไตรปิฎกเนี่ยนะเป็นคำสอนที่จัดเรื่องอินทรีย์เอาไว้แล้วช่วงไหนถ้าเราสนใจอะไรอยู่นะถ้าจากสังเกตจากสิ่งนั้นแสดงว่าเรากำลังอบรมอินทรีย์ตัวนั้นอยู่อ่านเถอะแล้วสังเกตอินทรีย์ของเราได้หรืออา่านถ้าเช่นช่วงนี้ให้ความสำคัญกับพระวิยัยหรือเกี่ยวเครื่องเกี่ยวกับเรื่องศีล แสดงว่าช่วงนั้นเราให้ความสนใจกับสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะแสดงว่าช่วงนั้นให้ค่ากับสัพธินรีเนี่ยนะเพราะัพธินรีมีกำลังก็ดูที่สัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาชีวะเนี่ยทีนี้ถ้าดูวิญญสีอะดูยังไงช่วงไหนที่อ่านเกี่ยวกับเรื่องสังเวกวตถุบ่อยขึ้นสังเวทบ่อยขึ้นสลดใจบ่อยขึ้นมากขึ้น ไปหาอะไรที่มันเป็นเหตุแห่งความสลดใจบ่อยๆบ่อยๆแสดงว่าช่วงนั้นต้องการอบรมวิริยินรียเนี่ยน ะ, นนะขันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยนะอาการมณสิการไข้ครัวในลักษณะนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นการเจริญปัญญินสีเนี่ยนะเป็นการเจริญปัญญินทรียังั้นสิ่งที่เราสนใจนะถ้าเรารู้จักคิดชนิดหนึ่งหันย้อนกลับมามองตัวเองเนี่ยจะรู้เลยว่าช่วงนี้เรากําลังให้ค่ากับอินทรีย์อะไรเนี่ยนะ ันอินทรีแต่ละช่วงแต่ละช่วงก็ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกันก็ปรับปรุงอย่างนี้จนกว่าจะปตนเปี่ยมบริบูรณ์จนกว่าจะตรัสรู้เนี่ยนะถ้าในการพิจารณาเวทนาเนี่ยนะเอ่อโดยเฉพาะพิจารณาจิตตชรูปเนี่ยจะเห็นเวทนาชัดนยวิสุทธิมรรคพูดถึงเอ่อจิตตชรูปเนี่ยท่านให้พิจารณาจาก รูปที่เกิดจากความดีใจและเสียใจถ้าเอาแบบย่อๆใช่ไหมเพราะคนเรามัน เ, เพราะเมื่อไหรที่เฉยก็นับเนื่องในดีใจอยู่นะเมื่อไหร่ที่อุเบกขาเนี่ยนับเนื่องในสุขทั้นก็มีเสียใจกับดีใจดีใจกับเสียใจตอนเดี๋ยวก็เฉยของเรานะถ้าเราสังเกตภาพสีหน้าท่าทางของเราดูจากจิตได้สักพักเดี๋ยวเราก็ดีใจอีกแล้วได้ อีกพักก็ชักไม่เคยสนุกแล้วอีกพักก็ดีใจอีกพักก็เสียใจอีกพักก็ดีใจอีกพักก็เสียใจเนี่ยนะแต่จริงๆนั้นถ้าเราเก็บแบบภาพหน้าของเราแล้วก็แบบภาพแบบเร็วมาดูนะจะดูไอ้วันหนึ่งเราก็มีหลากหลายเวทนาเป็นกันนะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจใช่ไหม <c oughs> ทีนี้ในขณะที่ดีใจก็ไม่เสียใจขณะที่เสียใจก็ไม่ใช่ ดีใจแล้วก็พอดีใจผ่านไปเดี๋ยวก็เสียใจก็เข้ามาอีกเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อใดที่ได้อารมณ์ที่น่าปรารถนาก็ดีใจเมื่อไรที่อารมณ์ไม่น่าปรารถนาก็เสียใจก็สลับคระาเคล้าหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปใช่ไหยที่พระพุทธเจ้าสอน <c oughs> หลานภาษาริบนะเนี่ยทีฆะนคกขปริภาชกเนี่ยว่าเวทนานี้มีสามอย่าง คือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเมื่อใดเสวยสุขเวทนาเมื่อนั้นก็เสวยเฉพาะสุขเวทนาอย่างเดียวไม่ได้เสวยสุขไม่ได้เสวยเออขออภัยไม่ได้เสวยทุกขเวทนาไม่ได้เสวยทุกขมสุขเวทนามีอยู่แต่อย่างเดียวเท่านั้นคือสุขเวทนาเมื่อใดเสวยทุกขเวทนาเมื่อนั้นก็มีแต่ทุกข์ล้นล้นไม่มีสุขไม่มีอุเบกขา เมื่อใดที่มีแต่อุเบกขาเมื่อนั้นก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ก็สุขเวทนาเนี่ยไม่เที่ยงก่อนหน้านี้สุขมาไหมสุขเวทนานี้ไม่เที่ยงจากไม่มีใช่ไหมมาได้วัตถุได้อารมณ์ปั๊บสุขเวทนาก็เกิดขึ้นเนี่สุขเวทนาไม่เที่ยงอาศัยปัจจัยดังนี้จึงเกิดขึ้นอาศัยกันเนี่ยเกิดขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปลุนไปเป็นธรรมดา ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเหมือนกับคนเขาห็ยิ้มให้เรานะเราเห็นก็ยิ้มแล้วเรายิ้มบ้างไอ้เขายิ้มตลอดไหมแล้วเขาหุบแล้ว เ, เขาหุบบางเขายิ้มมาทีเราก็ยิ้มเขาทีเขาเลิกยิ้มเราก็เลิกบงังมันก็เปลี่ยนอยนะ่างไอ้ความแสดงว่ายิ้มมันที่เราโสมนัตเพราะคนอื่นเขาโสมก่อนอนะเขาโสมนัตถ้าเขาเลิกโสมนัติเขาเกิดหน้าบึ้งขึ้นมาเออเราชักเราก็ชักถ้าโธมานัตขึ้นบังแล้วนะทันเวทนาก็รู้ว่แต่ไม่เที่ยงใชนะ่ไหม เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอารมณ์มันขึ้นอยู่กับตัดใจเหมือนร่างกายที่เราบอกโอ้ร่างกายกระฉับกระเฉงสบายแสดงว่าธาตุสี่มันยังไม่ไม่มันยังทำงานยังมันดีอยูน่นะถ้าลองธาตุดาธาตุหนึ่งมันเริ่มออกอาการขึ้นเดี๋ยวก็เริ่มและสุกมันไม่เหมือนเดิมเลยนะที่ตรงไหนที่เราว่ามันดีที่ตรงนั้นแหละมันจะเสียนะ บอกวหูฟันเนี่ยนะฟันมันไม่เคยมีปัญหาไม่เคยเจ็บไม่เคยปวดใครพูดอย่างนี้บ่อยๆนะนั่นแหละที่ตรงไหนที่ว่ามันไม่เคยเสียอันนั้นแหละมันจะเสียเป็นคือในฝ่ายดีรับมาตลอดใช่ไหมอีกไม่นานสิ่งนั้นก็วิบัติอยู่แล้วเพราะว่าชอบในมหานเนธภาษาริบทแสดงว่าอา่าคนที่ไม่มีโรคนะ มีความป่วยไข้เป็นที่สุดไอ้ที่เรียกว่ามันดีๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็เสียหายเป็นที่สุดสมบัติมีวิบัติเป็นที่สุดความเป็นหนุ่มเป็นสาวมีความแก่ชราเป็นที่สุดความเป็นอยู่มีอะไรเป็นที่สุดมีความตายเป็นที่สุดเนี่ยนะทุกอย่างมีที่สุดหมดเลยนะครับแล้วก็โลกกระทำนะนินทาก็มีอะไรเป็นที่สุด สันเสริญไอ้ที่สันเสริญก็มีนินทาเป็นที่สุดถ้ามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มียศเดี๋ยวก็เสื่อมยศเนี่ยนะมีลาบเดี๋ยวก็เสื่อมลาบมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอย่างนี้แหละโลกธรรมทั้งหลายพระริยาเจ้าทั้งหลายท่านตัดฉั้นราคาในอารมณ์ที่น่าปรารถนาเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่หวั่นไหวในอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา